ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับกรรมกรรมในฐานะกฎธรรมชาติอย่างหนึ่งพระพุทธศาสนาสอนหลักความจริงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือสิ่งของเป็นรู ป, ปรธรรมหรือนามรธรรมเป็นวัตถุหรือเป็นเรื่องจิตใจไม่ว่าชีวิตหรือโลกที่แวดล้อมอยู่ก็ตาม ซึ่งหมายถึงสังคตาธรรมทั้งหมดทั้งหมดล้วนเป็นไปตามธรรมดาแห่งเหตุปัจจัยเป็นเรื่องของปัจจัยสัมพันธ์ธรรมดาที่ว่านี้มองด้วยสายตาของมนุษย์เรียกว่ากฎธรรมชาติเรียกในภาษาบาลีว่านิยามแปลว่ากำหนดอันแน่นอนทำนองหรือแนวทางที่แน่นอน หรือความเป็นไปอันมีระเบียบแน่นอนเราปรากฏให้เห็นว่าเมื่อมีเหตุปัจจัยอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็จะมีความเป็นไปอย่างนั้นอย่างนั้นแน่นอนกฎธรรมชาติหรือนิยามนั้นแม้จะมีลักษณะทั่วไปอย่างเดียวกันทั้งหมดคือความเป็นไปตามธรรมดาแห่งเหตุปัจจัยแต่ก็อาจแยกประเภทออกไปได้ตามลักษณะาอาการจำเพาะที่เป็นแนวทางหรือเป็นแบบหนึ่ง ของความสัมพันธ์อันจะช่วยให้กำหนดศึกษาได้ง่ายขึ้นเมื่อว่าตามสายความคิดของพระพุทธศาสนาพระอัฏฐกถาจารย์แสดงกฎธรรมชาติหรือนิยามไว้ห้าอย่างคือกฎธรรมชาติข้อที่หนึ่งอุตุนิยามกฎธรรมชาติเกี่ยวกับปรากฏการฝ่ายวัตถุ โดยเฉพาะความเป็นไปของธรรมชาติแวดล้อมและความเปลี่ยนแปลงทางวัตถุเช่นเรื่องลมฟ้าอากาศฤดูกาลฝนตกฟ้าร้องการที่ดอกบัวบานกลางวันหุบ ก, กลางคืนการที่ดินน้ำปุ๋ยช่วยให้ต้นไม้งามการที่คนอายหรือจามการที่สิ่งทั้งหลายผูกพังเน่าเปื่อยเป็นต้นแนวความคิดของท่าน มุ่งกอบความพันแปรที่เนื่องด้วยความร้อนหรืออุณหภูมิกฎธรรมชาติข้อที่สองีชานิยามกฎธรรมชาติเกี่ยวกับการสื่อพันหรือที่เรียกกันว่าพันธุ ก, กรรมเช่นหลักความจริงที่ว่าพืชเช่นใดก็ให้ผลเช่นนั้น พืชมะม่วงก็ออกผลเป็นมะม่วงเป็นต้นกฎธรรมชาติข้อที่สจิตตานิยามกฎธรรมชาติเกี่ยวกับการทำงานของจิตเมื่ออารมณ์คือสิ่งเรากระทบประสาทจะมีการรับรู้เกิดขึ้นจิตจะทำงานอย่างไรคือมีการไหวแห่งผวังขจิต ผวังขจิตขาดตอนแล้วมีอวัชนะแล้วมีการเห็นการได้ยินละจนถึงมีสัมปฏิชนนะสันติรณะเปยยานหรือเมื่อจิตที่มีคุณสมบัติอย่างนี้เกิดขึ้นจะมีเจตสิกอะไรบ้างประกอบได้หรือประกอบไม่ได้เป็นต้นกฎธรรมชาติข้อที่สี่ กรรมนิยามกฎธรรมชาติเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์คือกระบวนการก่อการกระทาและการให้ผลของการกระทาหรือพูดให้จำเพาะลงไปอีกว่ากระบวนการแห่งเจตจำนงหรือความคิดปรุงแต่งสร้างสารรค์ต่างๆพร้อมทั้งผลที่สืบเนื่องออกไปอันสอดคล้องกัน เช่นทำกรรมดีมีผลดีทำกรรมชั่วมีผลชั่วเป็นตน้นกฎธรรมชาติข้อที่หธรรมนิยามกฎธรรมชาติเกี่ยวกับความสัมพันธ์และอาการที่เป็นเหตุเป็นผลแก่กันของสิ่งทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างที่เรียกกันว่าความเป็นไปตามธรรมดา เช่นว่าสิ่งทั้งหลายมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาคนย่อมมีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาธรรมดาของคนยุคนี้มีอายุขัยประมาณร้อยปีไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะอุบัติหรือไม่ก็ตามย่อมเป็นธรรมดาของสิ่งทั้งหลายที่เป็นสภาพไม่เที่ยงถูกปัจจัยบีบคั้นและไม่เป็นอัตตา ดังนี้เป็นต้นธรรมนิยามนี้อธิกถาอธิบายโดยยกตัวอย่างธรรมดาในโอกาสต่างๆเกี่ยวกับพุทธประวัติเช่นว่าในเวลาที่พระโพ ธ, ธิสัตว์ทรงถือปฏิสนธิทรงประสูตริตรัสรู้เป็นต้นเป็นธรรมดาที่หมื่นโลกธาตุจะวันไหว ความจริงกฎสี่อย่างแรกย่อมรวมลงในกฎที่หคือธรรมนิยามทั้งหมดหรือจำแนกออกไปจากธรรมนิยามนั่นเองหมายความว่าธรรมนิยามมีความหมายครอบคลุมกฎธรรมชาติหมดทั้งหข้อเมื่อเป็นเช่นนี้อาจมีผู้สงสัยว่าธรรมนิยามเป็นกฎใหญ่เมื่อเอามากระจายเป็นกฎย่อย ก็น่าจะกระจายออกไปให้หมดเหตุไรเมื่อแจ้งเป็นกฎย่อยแล้วยังมีธรรมนิยามอยู่ในรายชื่อกฎย่อยอีกด้วยเล่าคำตอบสำหรับความข้อนี้พึงทราบด้วยอุ ป, ปมาเหมือนคนทั้งหมดในประเทศไทยนี้บางทีมีผู้พูดจำแนกออกว่ารัฐบาลข้าราชการพ่อค้าและประชาชนบ้าง ตำรวจทหารข้าราชการนักศึกษาและประชาชนบ้างว่าอย่างอื่นอีกบ้างความจริงคำว่าประชาชนยอมครอบคลุมคนทุกหมู่ทุกเหล่าในประเทศข้าราชการพลเรือนทหารพ่อค้านักศึกษาก็ล้วนเป็นประชาชนด้วยกันทั้งสิน้นแต่ที่พูดแยกออกไปก็เพราะว่าคนเหล่านั้นนอกจากจะมีลักษณะนหน้าที่โดยทั่วไปในฐานะประชาชนเหมือนคนอื่นๆแล้ว ยังมีลักษณะนหน้าที่จำเพาะพิเศษต่างหากออกไปอีกส่วนหนึ่งด้วยส่วนคนที่ไม่มีลักษณะหรือหน้าที่จำเพาะพิเศษแปลกออกไปก็รวมอยู่ในคำว่าประชาชนอันหนึ่งการจำแนกนั้นอาจแตกต่างกันออกไปตามวัตถุประสงค์จำเพาะของการจำแนกครั้งนั้นๆแต่ทุกครั้งก็จะมีคำว่าประชาชนหรือราษฎร คําที่มีความหมายกว้างทํานองนั้นไว้เป็นที่รวมเข้าของคนทั้งหมดที่เหลือซึ่งไม่ต้องจําแนกออกไปต่างหากตามวัตถุประสงค์เฉพาะคราวนั้นเรื่องนิยามหาก็พึงเข้าใจความทํานองเดียวกันนี้การจําแนกกฎธรรมชาติเป็น5้าอย่างนี้จะเป็นการแบ่งแยกที่ครบจํานวนหรือไม่ ควรจะมีกฎย่อยอะไรอื่นนอกจากนี้หรือไม่ไม่ใช่ปัญหาในที่นี้เพราะท่านได้กฎเด่นๆที่ท่านต้องการพอแก่การใช้ตามวัตถุประสงค์ของท่านแล้วและกฎที่เหลือย่อมรวมลงในกฎที่หคือธรรมนิยามโดยนยะที่กล่าวมาแล้วแต่สิ่งสำคัญที่พื้นเข้าใจก็คือสาระที่มุ่งหมายหรือเจตนารมณ์ ของการแสดงนิยามทั้งห้านี้อันเป็นข้อที่ควรสังเกตและขอเน้นไว้บางอย่างดังนี้ประการแรกเป็นการย้ำเน้นแนวคิดแบบพุทธที่มองเห็นความเป็นไปของสิ่งทั้งหลายหรือของโลกและชีวิตตามธรรมดาของเหตุปัจจัยให้หนักแน่นชัดเจนยิ่งขึ้นแม้จะแยกแยกกดให้ละเอียดออกไป ก็มองเห็นแต่ความเป็นไปตามธรรมดาหรือสภาวะปัจจัยสัมพันธ์เท่านั้นเป็นอันจะได้ตั้งใจเรียนรู้เป็นอยู่และปฏิบัติด้วยความเข้าใจเท่าทันธรรมดานี้แน่นอนไปไม่ต้องมมโห่วงกังวลถึงท่านผู้สร้างผู้บันดาลที่จะมาพันแปรกระแสรธรรมดาให้ผิดเพี้ยนนอกจากจะเข้ามาร่วมเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งในธรรมดานั่นเอง อาจจะมีผู้ท้วงว่าถ้าไม่มีผู้วางกฎกฎธรรมชาติจะมีขึ้นได้อย่างไรก็ไม่พึงต้องมัวยุ่งคิดกับคำถามอัมพรางตนเองของมนุษย์ข้อนี้ลองมองง่ายๆว่าถ้าปล่อยให้สิ่งทั้งหลายเป็นไปของมันเองมันก็ต้องเป็นไปอย่างใดอย่างหนึง่งและมันก็ได้เป็นมาเป็นไปแล้วอย่างนี้หละเพราะมันไม่มีทางจะเป็นไปอย่างอื่น นอกจากเป็นไปตามเหตุปัจจัยสัมพันธ์มนุษย์เราสังเกตและเรียนรู้เอาความเป็นไปอย่างนี้มาซึมซาบในความคิดของตนแล้วก็เรียกมันว่าเป็นกฎจะเรียกหรือไม่เรียกมันก็เป็นของมันอย่างนั้นถ้าขืนมีผู้สร้างผู้ตั้งกฎธรรมชาติก็จะยิ่งยุ่งที่จะสืบลึกต่อไปอีกว่า ท่านผู้ตั้งกฎนั้นดำรงอยู่ด้วยกฎอะไรมีใครสร้างกฎให้ท่านหรือคุมท่านไว้ถ้าคืนไม่คุมท่านสร้างกฎได้ตามชอบใจท่านก็ย่อมเปลี่ยนกฎได้ตามชอบใจอยู่ไปวันดีคืนดีท่านอาจจะเปลี่ยนกฎธรรมชาติให้มนุษย์โลมานกันหมดก็ได้ความจริงถ้ามีผู้สร้างกฎและท่านมีกรุณาท่านก็คงช่วยเปลี่ยนกฎ ช่วยสัตว์โลกไปแล้วหลายกฎ ย, ย่อยเช่นไม่ให้มีคนเกิดมาพิการง่อยเปลี่ย อ, ว, อยวัยวะบกพร่องไร้ปัญญาเป็นต้นประการที่สองเมื่อแยกแยกออกเป็นกฎย่อยๆหลายกฎแล้วก็อย่าเผลอปล่อยแยกปรากฏการต่างๆที่เป็นผลให้เป็นเรื่องเฉพาะกดเฉพาะกฎ ต่างหากกันไปเด็ดขาดความจริงปรากฏการอย่างเดียวกันอาจเกิดจากเหตุปัจจัยที่เป็นไปต่างๆหรือเนื่องด้วยกฎหลายกฎร่วมกันก็ได้เช่นการที่ดอกบัวบานกลางวันและหุบกลางคืนก็ไม่ใช่เพราะอุตุนิยามอย่างเดียวเท่านั้นแต่ต้องเนื่องจากพีชานิยามด้วยการที่คนน้ำตาไหล อาจเป็นเพราะจิตตนิยามเป็นตัวเด่นเช่นดีใจเสียใจก็ได้แต่อาจเป็นเพราะอุตุนิยามเช่นถูกควันรมตาก็ได้คนเหงื่อออกอาจเป็นเพราะอุตุนิยามเช่นอากาศร้อนก็ได้หรือเป็นเพราะจิตตนิยามและกรรมนิยามเช่นหวาดกลัวหรือคิดหวนความผิดเป็นต้นก็ได้คนป่วดศีรษะ อาจเป็นเพราะอุตุนิยามเช่นอากาศร้อนอบอ้าวที่อุดอู้ทึบอากาศไม่พอก็ได้หรือเพราะพีชานิยามเช่นความบวกพร่องของอวัยวะภายในหรือกรรมนิยามบวกจิตตานิยามเช่นคิดกลัดกลุ้มกังวลเดือดร้อนใจเป็นต้นก็ได้ ประการที่สและสำคัญที่สุดคือท่านแสดงให้เห็นว่าในบรรดากฎธรรมชาติทั้งหลายนั้นมีกฎแห่งกรรมหรือกรรมนิยามรวมอยู่เป็นข้อหนึ่งด้วยมเมื่อมองในแง่ของมนุษย์กรรมนิยามเป็นกฎสำคัญที่สุดเพราะเป็นเรื่องของมนุษย์โดยตรงมนุษย์เป็นผู้เสกสรรปรุงแต่งกรรมและกรรมก็เป็นเครื่องปรุงแต่งวิถีชีวิต โชคชะตาของมนุษย์ถ้าแบ่งขอบเขตอำนาจในโลกตามอย่างที่คนปัจจุบันนิยมคือแบ่งเป็นเขตแดนหรือวิสัยของธรรมชาติกับเขตแดนหรือวิสัยของมนุษย์ก็จะเห็นว่ากรรมนิยามเป็นเขตแดนของมนุษย์ส่วนกฎหรือนิยามข้ออื่นๆทั้งหมดเป็นเขตแดนของธรรมชาติ มนุษย์เกิดจากธรรมชาติและเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติแต่มนุษย์ก็มีวิสัยพิเศษส่วนหนึ่งที่เป็นของตนเองกล่าวคือกรรมนิยามนี้ซึ่งได้สร้างสังคมและสิ่งประดิษฐ์ต่างๆของมนุษย์ขึ้นเป็นดุจอีกโลกหนึ่งต่างหากจากโลกธรรมชาติอันหนึ่งในเขตแดนแห่งกรรมนิยามนั้น สาระหรือตัวแท้ของกรรมก็คือเจตนาหรือเจต จ, จำนงดังนั้นกรรมมนิยามจึงเป็นกฎที่ครอบคลุมโลกแห่งเจต จ, จำนงหรือโลกแห่งความคิดนึกปรุงแต่งสร้างสรรและทำลายทั้งหมดเท่าที่เกิดจากฝีมือของมนุษย์ไม่ว่ามนุษย์จะไปเกี่ยวข้องกับนิยามอื่นใดหรือไม่ก็ตามก็ต้องมีกรรมมนิยามเป็นกฎยืนพื้น ตลอดถึงว่าจะไปเกี่ยวข้องและใช้นิยามอื่นเหล่านั้นอย่างไรก็อยู่ที่กรรมมนิยามกรร ม, มนิยามเป็นวิสัยของมนุษย์เป็นขอบเขตที่มนุษย์มีอํานาจปรุงแต่งควบคุมเสกสรรบันดาลหรือพูดให้ถูกว่าการที่มนุษย์ก้าวเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเหตุปัจจัยด้วยอย่างหนึ่งในกระบวนการของธรรมชาติ จนเกิดเป็นสำนวนพูดของมนุษย์ขึ้นว่าตนสามารถบังคับควบคุมธรรมชาติหรือเอาชนะธรรมชาติได้นั้นก็โดยอาศัยกรรมมนิยามนี้เองกล่าวคือมนุษย์เกี่ยวข้องกับนิยามหรือกฎธรรมชาติข้ออื่นๆที่เป็นเขตแดนของธรรมชาติด้วยการเรียนรู้ความจริงของมันและปฏิบัติต่อมันหรือใช้ประโยชน์มันตามเจตจำนงของตน จึงเรียกว่าเจ็ดจำนงของมนุษย์เป็นผู้ปรุงแต่งบังคับควบคุมโลกของธรรมชาตินอกจากนั้นมนุษย์ก็ใช้เจ็ดจำนงหรือเจตนานี้เป็นเครื่องกําหนดการปฏิบัติต่อกันระหว่างมนุษย์เองด้วยพร้อมกับที่มนุษย์ปฏิบัติต่อผู้อื่นสิ่งอื่นต่อธรรมชาติที่แวดล้อมตนตลอดจนปรุงแต่งโลกของธรรมชาติอยู่นั่นเอง มนุษย์หรือว่าให้ถูกคือเจ็ดจำนวของมนุษย์นั้นก็ปรุงแต่งตัวของเขาเองปรุงแต่งบุคลิกภาพและวิถีชีวิตหรือชตากรรมของเขาไปด้วยเนื่องด้วยกรรมนิยามเป็นเรื่องของมนุษย์โดยตรงรอบคลุมโลกแห่งเจ็ดจำนวและการปรุงแต่งสร้างสรรค์ทั้งหมดของมนุษย์เป็นแกนนาในการปรุงแต่งชีวิตตนเองของมนุษย์แต่ละคน เป็นเครื่องชีงก้กำหนดแนวทางของสังคมและผลงานสร้างสรรค์ทำลายของมนุษย์เป็นฐานที่มนุษย์อาศัยก้าวเข้าไปเกี่ยวข้องกับนิยามอื่นๆเพื่อปรุงแต่งบังคับควบคุมโลกของธรรมชาติโดยใยนัยยะที่กล่าวมาแล้วดังนั้นพระพุทธศาสนาจึงสอนเน้นถึงความสำคัญของกรรมเป็นอย่างมากดังพุทธพจน์ที่คุ้นกันดีว่า คมมุณาวัตติโลโกโแปลว่าโลกเป็นไปตามกรรมหรือโลกเป็นไปเพราะกรรมกรรมจึงเป็นคำสอนสำคัญยิ่งเรื่องหนึ่งในพระพุทธศาสนาอย่างไรก็ตามการที่ท่านรวมเอา ก, กรรมนิยามเข้าไว้เป็นข้อหนึ่งในนิยามถึงห้าข้อนั้น ก็เป็นการบอกให้มองความจริงอีกด้านหนึ่งด้วยว่ากรรมนิยามหรือกฎแห่งกรรมนั้นเป็นเพียงกฎธรรมชาติอย่างหนึ่งในบรรดากฎธรรมชาติลหลายๆอย่างดังนั้นเมื่อมีปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นหรือเมื่อมนุษย์ผู้หนึ่งประสบเหตุการณ์สุขทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งก็อย่าพึ่งเหมาไปเสียทั้งหมดว่าเป็นอย่างนั้นเพราะกรรมดังตัวอย่างที่ได้อธิบายแล้วข้างตน้น แม้พุทธพจน์ที่อ้างข้างต้นว่าโลกเป็นไปตามกรรมนั้นก็หมายถึงโลกคือหมูสัตว์ได้แก่ชาวโลกหรือสัตว์โลกถ้าพูดอย่างสมัยใหม่ก็คล้ายว่ากรรมชี้นำสังคมหรือกรรมกาหนดวิธีของสังคมนั่นเองอาจพูดในแง่หนึ่งว่ากรรมมนิยาม เป็นเพียงกฎย่อยอย่างหนึ่งของธรรมชาติแต่เป็นกฎที่สํำคัญที่สุดสำหรับมนุษย์สำหรับผู้ศึกษาอภิธรรมย่อมบอกได้ว่าชีวิตเราที่ประกอบด้วยขันห้านั้นเป็นไปตามธรรมดาหรือตามกฎธรรมชาติทั้งหมดก็จริงแต่ขันหะบางส่วนเท่านั้นที่เกิดจากกรรมและเป็นไปตามกรรมโดยตรง เช่นรูปรธรรมในร่างกายของเราอพิธ ร, รมก็แยกว่าเกิดจากกรรมก็มีเกิดจากจิตก็มีเกิดจากอุตุก็มีเกิดจากอาหารก็มีดังนี้เป็นตน้นนอกจากกฎธรรมชาติทั้งห้าที่กล่าวมาแล้วยังมีกฎอีกประเภทหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องของมนุษย์โดยเฉพาะไม่มีอยู่ในธรรมชาติไม่เกี่ยวกับธรรมชาติโดยตรง ได้แก่กฎที่มนุษย์กำหนดวางกันขึ้นเป็นข้อตกลงเพื่อควบคุมความประพฤติในหมู่มนุษย์ด้วยกันเองให้อยู่ร่วมกันโดยผาสุขนับว่าเป็นบัญญัติทางสังคมเช่นระเบียบข้อบังคับกติกากฎหมายจารีตประเพณีวินัยบัญญัติเป็นต้นอาจจัดเข้าต่อท้ายนอกชุดเป็นกฎที่หกฎของมนุษย์ที่เป็นบัญญัติทางสังคมนี้ เือสะดวกในการเรียกขานอาจตั้งชื่อรวมโดยเรียนชื่อกฎธรรมชาติในเชิงที่จะให้นึกเทียบเคียงไปกับกฎธรรมชาติโดยรู้ชัดไปในตัวว่าอยู่นอกชุดต่างหากจากชุดของกฎธรรมชาตินั้นชื่อเช่นนั้นมีให้เลือกหลายอย่างเช่นสังคมนิยามสังคมนิยมสมมุตินิยามและบัญญัตินิยามสังคมนิยม นิยมมีนอนหนูกรันคำว่าสังคมเป็นศัพท์บัญญัติในภาษาไทยแม้จะมีใช้ในภาษาบาลีแต่เดิมก็มีความหมายไม่เหมือนกับที่บัญญัติในภาษาไทยในที่นี้ใช้โดยอนุวัตตามภาษาไทยส่วนนิยมมีนอนหนูกรรันว่าโดยรูปศัพท์ก็มีความหมายตรงกับนิยาม หรือนิยมนั่นเองแต่เลี่ยงคําว่านิยามเพื่อให้ห่างจากคําเรียกกฎธรรมชาติส่วนสังคมนิยมที่ไม่มีนอร์นูการันก็มีผู้บัญญัติใช้ในความหมายอย่างอื่นแล้วจึงเลี่ยงให้แปล ก, กันพอเป็นที่สังเกตความต่างตัวอย่างชื่อให้เลือกสี่อย่างนั้นทุกคําชัดว่าเป็นกฎของมนุษย์ไม่ใช่กฎธรรมชาติ สังคมนิยามสังคมนิยมสองคำแรกบอกว่าเป็นกฎของสังคมคือกฎของคนไม่ใช่กฎธรรมชาติคำที่สา ม, สมมุตินิยามบอกว่าเป็นกฎโดยสมมติคือตามที่มนุษย์ตกลงยอมรับในสังคมส่วนคำสุดท้ายคือบัญญัตินิยามก็ชัด ว่าเป็นกฎที่เกิดจากการบัญญัติจัดตั้งวางกำหนดของมนุษย์ในที่นี้ตกลงใช้คำว่าสมมุตินิยามโดยขอให้รู้เข้าใจคำนี้ที่จะใช้ต่อต่นี้ไปในความหมายที่กล่าวนั้นกฎของสังคมนี้เป็นเรื่องการปรุงแต่งของมนุษย์จึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากกรรมและขึ้นต่อกรร ม, มานิยามด้วย แต่เป็นเพียงส่วนซ้อนเสริมเข้ามาในกรรมนิยามเท่านั้นไม่ใช่กรรมนิยามเองจึงไม่ได้มีลักษณะนในด้านปัจจัยสัมพันธ์และความเป็นจริงเหมือนกับกรรมนิยามแต่เพราะซ้อนยิงอยู่กับกรรมนิยามจึงมักทาให้เกิดความสับสนกับกรรมนิยามและมีปัญหาถกเถียงกันเนื่องจากความสับสนนั้นบ่อยโดยเหตุที่กฎสองประเภท คือกรรมนิยามและสมมุตินิยามนี้เป็นเรื่องของมนุษย์เกี่ยวข้องกับมนุษย์ใกล้ชิดที่สุดจึงเป็นเรื่องสำคัญที่พึงเข้าใจความแตกต่างให้ชัดเจนในขั้นต้นอาจพูดเป็นเขาไว้ก่อนว่ากรรมนิยามหรือกฎแห่งกรรมเป็นกฎธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับการกระทาของคนส่วนสมมุตินิยาม เป็นกฎของสังคมเป็นกฎของคนซึ่งคนบัญญัติกันขึ้นมาเองมีส่วนเกี่ยวข้องกับกฎธรรมชาติเพียงในแง่ว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดจากการกระทําหรือกรรมหรือการปรุงแต่งสร้างสรรค์แห่งเจ็ดจำนวของคนและอีกแง่หนึ่งโดยกฎแห่งกรรมมนุษย์รับผิด ช, ชอบต่อการกระทาของตน ตามกระบวนการของธรรมชาติแต่โดยกฎของสังคมมนุษย์มนุษย์รับผิดชอบต่อการกระทาของตนตามกระบวนการที่บัญญัติจัดวางขึ้นเองของมนุษย์ข้อที่พึงศึกษาพ้นจากนี้ไปจะพิจารณากันในตอนว่าด้วยปัญหาเกี่ยวกับความดีความชั่วและปัญหาเกี่ยวกับการรับผลของกรรมที่จะกล่าวต่อไป